พวกเราควรปรวารณาหรือไม่ควรปรวารณาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปวารณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวัดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปวารณาใหม่พวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องเอาบททุกกฎวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในวัดหลายรูป เมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปรวรณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาทพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วเป็นอันปรวรณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปรวรณาพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วต้องอบัตรทุกกดวงเล็บสองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอวาทแห่งหนึ่งในวันปรวรณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในวาทหลายรูป เมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปรวรณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวัตผู้อื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าภิกษุที่ปรวรณาแล้วเป็นอันปรวรณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปรวรณาพวกภิกษุที่ปรนนาแล้วต้องอาบัตทุกดวงเล็บสภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันปรวรณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาตหลายรูป แต่ประชุมกัน5้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในาวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าพวกเราควรปรวารณาหรือไม่ควรปรวารณาพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปวารณาใหม่พวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอบัตรทุกกวงเล็บสี ภิกษุเหล่านั้นปรบารณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปรารณาแล้วเป็นอันปวารณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปรบารณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรารณาแล้วต้องอ บ, บัตรทุกกฎวงเล็บห้าขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บ6ภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปรวรรณาใหม่พวกภิกษุที่ปวรรณาแล้วต้องอบัตทุกกฎวงเล็บเจพอภิกษุเหล่านั้นปรวรรณาเสร็จบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจนนมากกํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปรวรรณาแล้วเป็นอันปรวรรณาดีแล้ว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 ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวัดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บสิบอพอภิกษุเหล่านั้นปวาราณาเสร็จบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวัดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าวงเล็บสิขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวัดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันวงเล็บสิขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวัดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บสิเวทมติกะปัณรัสกะจบ